ที่เป็นโลกหรือทุกข์นั่นเองถ้าผู้ได้เจ้าท่านวัดทุกสมุทัยนิโรธมักเรียกว่าอริยสัจสี่ทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งเราพูดกันได้อย่างนั้นคำคำนี้แหละมันไม่เข้าใจแต่เราพูดได้เพราะเราไปเรียนตำราจดจำเอามาพูดกันแต่การกระทํานั้นไม่รู้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 กล้ายืนยันรับรองน่วในตำราเขาพูดเอาไว้ผู้ที่ทำสติปัฏฐานสี่หรือจเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานเจ็ปีอย่างต่างเจเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงอจ็วันอานิสงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโดยคำนอนึ่งเป็นพระอหรหันในปัจจุบันพวกนี้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 ควรไม่รู้หายไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกับถอนผมออกจากศีรษะของนี้เองพอได้ถอนออกมาตุด้ดรากผมมัตายไปหมดเพอได้ถอนออกมาเส้นไหญก็ต้องตายกันเพราะไม่ได้เลยผมเนี่ยเพราะไม่ได้เหมืกับผลไม้อื่นๆดังนั้นจึว่าทำให้มันเป็นจริงๆถ้พาพระพุทธเจ้าท่านสอนคนสอนโดยละเอียดและออนที่สุด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 ดังนั้นพระพุทธเจ้าแทาจริงสอนว่าจัดทั้งหลายคือเราจะถากพุทเมื่อยังไม่รู้ก็ต้องเจาะแสวงหาถากพุททุกนี้เองเมื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็เลยว่าให้ทําอย่างพระองค์ให้มีสติรู้ในอิทิบาททั้งซีทั้งสอนเดินก็ให้มีสติอันสติก็ให้รู้นั่นเองเดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้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 ถ้าโลระมีอยู่ที่นี่เอาทำดูทีเ่เห็นั่นดูนี่มันเห็ดไม่ได้สิ่งงา น, นสิ่งไม่มีที่เราต่อเมื่อมันเกิดได้ในขณะไหนเวลาใดแล้วสแสบว่าเรลืมตัวอันลืมตัวนี่เป็นยังไงท่านวะเหมือนกับสติลสารคนลืมตัวเนี่ยเหมือนกับสติละสารแต่เหมือนกันไม่ได้เป็นประเด็นแก่ใจเป็นสติลสารอันตัดผมข้างเดียวกวัเช่นเดียวกันดู